ดูเหมือนกับว่าคุณธรรมของวิกรมาทิติเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมโลกเรียกว่าหวนหานะครับเพราะว่ามันหายไปไหนหมดก็ไม่ทราบจึงเรื่องนี้ก็ดำเนินมาจนถึงตอนนี้ตุ๊กตาตัวที่25บันไดขั้นที่25แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดนะคะคุณชยุติคือพระเจ้าโภช ะ, ะหยิบลงมวลศิษาของตุ๊กตาทุกตัวอย่างมั่นใจ ก็คิดว่าในยุคพันปีต่อมาเนี่ยพระเจ้าโภชานี่แหละค่ะที่จะเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมองค์ต่อมานะคะที่ต้องถือว่าในศาสนาฮินดูเนี่ยค่อนข้างจะยกย่องทีเดียวนะคะถึงได้นําเรื่องราวที่ว่าพระเจ้าโภชะได้ฟังแล้วก็เหยียบมันไปเรื่อยๆก็ลมองกลับว่าพระเจ้าโภชาก็ต้องรับการยกย่องเทียบเท่าเหมือนกันครับพระองค์หยิยบขึ้นไปเรื่อยๆนัว่าพระองค์เนี่ยทำได้อ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พระราชาโพชัยนี้ก็เหมือนพระเอกที่เดินเรื่องะะแตคะว่า ค, คุณธรรมที่ยุวเกษัตริย์ทั้งหลายหรือว่าผู้นำผู้บริหารประเทศหรือผู้นำทั้งหลายเนี่ยนะคะ ค, ควรจะมีเนี่ยคือการที่ให้มากที่สุดครับคือแอนก็เลยมานึือกถึงแหมโด่งเมืองกลับมาแล้วนะค ะ, ะคือบุคคลที่มีลักคณาราศีกรกฎก็ดีราศีตุลก็ดีนะคะครหรือแม้กระทั่งดวงเมืองราศีเมฆด้วยนะคะหรือว่าอ่าราศี ดาวศิวัชรทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือว่าเสี่มังกรนี่นะคะถ้าหากว่าให้จะได้นะคะถ้าหากว่าเอาจะเสียจะสูญเสียอ่าเนี่ยคือความหมายเสาปละสั้นๆนะครแต่ถ้าฟังเรื่องราวของพระชาวิกรมาทิตเนี่ยนะอย่างที่กษัตริย์โพสานี่ตอนนี้ท่านกำลังคิดว่าถ้าเนี่ยมีคุณธรรมมาถึง24่สกําลังที่25แล้วนะคะและแต่ละตัวเนี่ยนอกจากที่จะเป็น เรื่องราวแม้จะสั้นนะคะแต่ว่าให้ข้อคิดคติทําในระหว่างระหว่ังในเรื่องดําเนินไปเรื่องดำเนินไปด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์โพชะจะต้องมีตั้งแต่บันไดขั้นแรกที่จะเดินขึ้นไปสู่บันหลังแก้วเนี่ยนะครับคือสัจจะครับเพราะพอผ่านขั้นที่หนึ่งไปเนี่ยตุกตาถามว่าท่านกษัตริย์โพชะท่านจะทําได้ไหมบอกได้ขั้นที่สองถ้าทำได้บอกได้ไม่ใช่เดินไปถึงขั้นที่28่สิไอที่พูดมาขั้นที่1นเนี่ยมันตอนนั้นไม่แน่ใจเลยลองลองพูดไปก่อน าล<ะ>ที่นี้ตุก๊กตาตวัวที่25่เมื่อเราได้มีความชื่นใจแล้วเราก็จะได้น้อมใจฟังถึงแมว้ว่าจะเป็นศาสนาเก่าแก่แต่ว่าก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้มาเช่นเดียวกันะนะคะในพื้นฐานที่พระองค์ได้อยู่เนี่ยก็ได้รับคำสอนที่มีคุณคคณรธรรมมีอดดตการณ์ดื่อดีๆนะคะที่เขาไว้สอนยุวะกษัตริย์ทุกพระองค์ สมัยเมื่อพระเจ้าวิกรมาทิตย์ยังครองราชอยู่ที่เมืองอุชยินีนะคะก็ในเรื่องราวที่ชักจะเกี่ยวกับเรื่องความฝันเรื่องโหน้นะคะก็มีโหนคนหนึ่งที่เดินมาเฝ้ากล่าวสุร ด, ดีถวายพระราชาซึ่งคําสุรุดีนี่ของหโหนนี่น่าสนใจมากเลยคะ่ะเพราะเริ่มตนน้นได้ว่าขอพระสุริยอาทิตย์อาทิตย์นะคะอํานวยพรให้รุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญทำไมว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่แสดงความกล้าหาญช่วงนี้อาทิตย์เป็นปรา ความกล้าหานี้เป็นยังไงกันคืออาจจะไม่ถูกทางกล้าในทางที่ไม่ถูกนะคะขอพระจันทร์เวพรให้มีฐานะเท่าเท้าอมรินพระจันทร์นี่คืออุข้าวอุนย์ดาวแห่งพกกระซับดาวพกกระซับตอนนี้มีดาวเสาร์บานเหมือนเราทับอยู่นะพกกระซับของเรานี่มันฝืนสักนิดหนึ่งขอร่างการอํานวยพรให้อุดมได้พกกระซับอานาจ ที่สุดไม่ได้ครัเพระอังคารนี้ก็จะหมายถึงไล่นาสาโทนะคะแล้วก็หมายถึงอำนาจครับนะคะขอพระพุทธอํานวยสติปัญญาอันล้าเลิศแก่พระองค์นี่คือนิสสัตต์ของฮินดูนะพุทธคือสติปัญญาอังคารคือไล่นาสาโทนะคะแล้วก็หมายถึงความกล้าหาญหรืออำนาจด้วยนะคะคขอพระหัตตสวัสดีประสิทธิประสาสงหาราศีพระหัตต์คลองความรีสงหาร ก็อาเป็นว่าใครพูดดีสติปัญญาก็ลําเลิศนะคะพูดตอนนี้ถอยหลังสติปัญญามันช้าค่ะมันอื่นอาการมันร้อนขลยคนชิล้นอจจะคิดไปผิดเพี้ยนกันนะฮ ะ, ะพระหัตประสิทธิศาสตร์ความสง่านะพระหัตที่เสียในช่วงไหนก็รู้สึกว่าความสง่าามันน้อยไปนิดนึงนะคะอาจจะคิดถึงเรื่องคนอื่น น้อยไปหน่อยนะคะคนเราเนี่ยจะมีความสง่าได้เนี่ยก็คือมีต้องนึกถึงใจเ ข, เข้าใจเราใจเข้าใจเรานะคะขอพระสุขประทานความสุขแก่พระองค์พระองค์นี่หมายถึงพระเจ้าวิกรมทิติดาวสุขหมายถึงความสุขนะคะนี่คือเราได้อ่านตรงนี้โอ้เราก็เข้าใจใแล้วว่าเขาเนี่ยมีความหมาย อ, อย่างไรบ้างว่าดาวดวงไหนให้อะไรขอพระเสาเอื้ออํานวยสารติสุข ความดาวสาวในศาสนาฮินดูเนี่ยมีความหมายถึงสันติคือความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมฮะวินัยคือวินัยนีเพราะวินัยเนี่ยจะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุขตอนนี้ของเราสาวเป็นปลามันกดนะฮะนะคะก็แปะเอาละกันครับลาหูก็มีนะคะลาหูก็หมายถึงว่าให้ประทานพาหุพลังลาหูคือดาวอายุคือดาวแห่งพลังไม่ใช่ดาวเกเรโมหะในศาสนาฮินดูบอกว่าให้ลาหูเนี่ย เอาพลังของลาวผมเนี่ยพลังของยักษ์มาให้พระเกตหมายถึงคืออานวยพรให้พระองค์มีตระกูลใหญ่ใจว่าดาวดาวเกตเนี่ยนะคะคือความอยุยืนอ่ามีตระกูลใหญ่หมายคาอว่าใครที่มีดาวเกตดีนะคะก็หมายถึงว่าเป็นรากฐานอย่างลากที่จะมีอ่าเรียกว่าอะไรเป็นรุ่มโพลุ่มไสให้กับตระกูลในดาวเกตนะคะขอให้ดารากรทั้งหลายจงกลา ร, รลุลและเกือ้อกูลพระองค์ตลอดไป นี่คำอวยพรของขุดารากอนนี่คือบรรดาเหล่าดาวนพเคราะห์ทั้งหลายซึ่งแ อ, แอนก็นึกถึงที่พิธีฉุดสืบชะตาของคุณบาเจ้านะตอนกลางคืนและเพื่อนเราไม่ได้อยู่เพราะว่าดึกนะคะว่าเราพักกันในเมืองมีการสืบชะตาแบบอัญเชิญดารากรหรือดาวพระเคราะห์มาคุ้มครองอำนวยพรทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะจากนั้นโฮราจารย์ก็พรันนา ถึงปฏิทินอันเป็นบันทึกแห่งเหตุการณ์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเกณฑ์ครับคำอันนี้ก็หมายถึงพยากรณ์นะค ะ, ะนะครับพระเจ้าวิกรธมอาทิตย์ก็ตรัสว่าตอนนี้ดาวดวงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยท่านโหรบอกเนยใช่ไว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้โแม้เราก็อยากรู้นะคะเมื่อพยากรณ์ในนี้เลยแล้วค่ะครับคราจารย์คำนวณดูก็บอกอาย่าไม่พ้นเก้าปีนี้พระอาทิตย์เป็นราชา นะคะพระอังคารเป็นเสนาบดีพระสาวเป็นใหญ่ในการเก็บเกี่ยวพระอังคารเป็นเจ้าแห่งหมู่เมฆ ย, ยิ่งกว่านั้นพระสาวพระอังคารพระศุภจโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวโลหินีและผ่านไปด้วยหตุนี้จะเกิดความแห้งแล้งทั่วไปในแผ่นดินครับแม่ชาวหูทั้งหลายหูพึงเลยนะคะคเมื่อไรก็ตามนะคะคุณจะยุทธท้าหกว่าดาวบากเพราะน้อยใหญ่โคจรเข้าสู่โลหินีเลิกจะเกิดเรื่องใหญ่ อยู่ที่ราศีพฤกษ์ค่ะครับโลหินีเลิกก็จะอยู่ประมาณ1 0บถึงยีองศาตอนนี้ดาวคานกาลังจะเดินเข้าสู่โลหินีเลิกโดยโยกกับดาวเสารนักวันไม่กี่วันนี้แหละพระอาจารย์ครับทำไมมันใกล้เคียงกันอย่างงี้ก็ไม่รู้มันจะบังเอิญบังเอิญนะฮะครับก็ท่านวราหามิระวราหมิระเนี่ยคือนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดียนะคะก็ต้องบอกว่า ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในรัตนาเก้าแก้วเก้าประการนี่หมายถึงว่าคือคุนพลซ้ายขวาหรือว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสำนักเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหนึ่งในเก<ะ>้าท่านโหราจานักดราศาของพระเจ้าวิกรนาวทิตยเนี่ยมีชื่อว่าวาราหามิฮิระครับแล้วก็เป็นผู้ที่แต่งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไหลายเรื่องชื่อชื่อว่าพระหัสสตะซึ่งตอนนี้แอ ม, มพีพระพ ร, ะรหัสตะฉาดกนะคะเป็นตำราเก่าแก่มากเลยคะ่ะก็ลูกศิษย์ช่วยกันหามานะคะ นันไว้ก็นำมาสอนกันอยู่พระลูกศิษย์อ่านไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ยังมีปัญจสิทธนติกาและอื่นๆอีกสิบ้าเล่มซึ่งเป็นตำราโหราศาสตร์ซึ่งได้สูญหายไปหมดแล้วเหลือพระหัสติกาไม่แน่อาจารย์พูดสักครู่นี้ถ้าอาจจะมีบางท่านนำมามอบให้ก็ได้นะคะตาราที่ยังขาดตำราเก่าแก่นะคะทีนี้ ตามในตำราวราหมีฮิรานีิเคยพูดเอาไว้นะคะว่าเมื่อไรก็ตามในพระสาวและพระอังคารและพระศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีของดาวโรฮินีเนี่ยฝ<ม>นจะแรงไปถึงสองปีปีที่แล้วเราก็แรงปีนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มทะเลาะกันแล้วอันนี้ในเมืองไทยหรือในวิกรมจมรรติณอาจารย์อ้อวิกฤติแ<อ>ละะ้แต่พอเอิญมาพ้องกันอังคารจะเข้าโรหินีนี่ละค่ะ พะเสาถ้าหากว่าภาษาตุดวงเดียวเนี่ยโคโจรเข้ากลุ่มโลหินีแผ่นดินโลกจะตกอยู่ใต้กระแสทานอันร้อนจ้าแห่งแสงอาทิตย์คือมันจะร้อนมากเลยแผ่นดินจะเดือดร้อนลุบเป็นไฟเป็นกระแสทานและบางแห่งเนี่ยเป็นกระแสทานแห่งสายฝนน้าจะท่วมมีสงครามข่าจะกล่าวไปยัยเพราะว่าที่นี่มันก็ไม่ใช่ทะเลแห่งน้ําแต่เป็นทะเลแห่งไฟซึ่งจะทําให้โลกนี้ถึงความพินาศในที่สุด ก็นี่เขาก็บอกว่าเป็นตำราเก่าแก่ว่าถ้าสาวผ่านโลหินีแล้วก็เป็นเรื่องครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องนี้นะคะเมืองอุชยินีเนี่ยสาวอังคารดาวศุกร์กำลังจะเดินผ่านโลูฮินีครับก็โหลก็เลยบอกว่าอ่าโหลพอทานายอย่างนี้เนี่ยนะคะครพระเจ้าพิตรรรมทิตย์รุ่งคก็มีความทุกข์ปรทัยว่าเอ้ยจะมีแก้การแก้ไขภัยแรงอันนี้ไหมเนี่ยเอาตั้งสองปีเฉลอที่ขนาดพระองค์ท่านเนี่ยดารงตนอยู่ในคุณธรรม อันสูงยิ่งเวลาดวงบ้านเมืองเข้าเรียกว่าช่วงเวลาเดือดร้อนมันก็ต้องเจอเผชิญกันไปตอนนี้โบราจารบอกมีวิธีแก้ครับต้องสังเวยดาวพระเคราะฝนจึงจะตกนี่นี่นีสมัยโบราณนะคะพระเจ้าวิการธรรมทิ์ก็รีบประชุมครรมนาจาร์ที่กรงแกเรียนเชี่ยวชาร์ัมภีเวทแล้วก็เล่าเรื่องที่โหดทํานาให้พรามฟังก็ให้มีการพิธีนะคะเรียกว่าสระดาวประเคราะห์ทั้งหลายโดยด่วน ทั้งหลายก็ร่วมกันทำมหาญัณญะพิธีสมโพธพระนค ร, ครเป็นไปตามตำลานะสืบสะตาสืบพระเคราะทำญันญะพิธีสำเร็จลงเรียบร้อยก็ประทา น, นรางวัลแก่พราหมณ์เป็นเงินอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ให้ทานนะทำประทานทักษิณาทานแม่แอนก็ยังนึกว่าเอ๊ะที่เราไปครานี้เนี่ยสองอสองสามวัน2คืนเนี่ยนะคะเรามีครบหมดเลยนะคะเนี่ยเราทาพิธีครบนะคะก็พอดี เรียกว่ามีพิธีหลวงด้วยนะคะการทำบาบสีในเวลากลางคืนใ <ฮะ S 2> บสีนีโงดงามมากเลยนะคะแล้วก็ครูบาเจ้าทั้งสองท่านได้เรียกว่าทำทักษีนาธานนะคะในคืนวันนั้นด้วยโปรยทานนะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีทานสิบอย่างและเราก็ได้ลำหาทานไปร่วมเกินสิบอย่างมากมายมหาศาลนะคะ แม่เรามากลายเปเรื่องเราไปได้นะคะสรุปแล้วพระเจ้าวิกรอรมาธิตย์ก็ทรงประทานทรัพย์อันมีค่าคกา ย, ยาจบทะลิทบหมูหนกคนใบ้คนพิการคือปฏิบัติตามที่ท่านโหนแนะนําครบเลยปรากฏว่าฝนไม่ตกไม่ตกหรือว่าตกฮะยังไม่ตกครับฝ น, ะะนก็ยังแรงอยู่ที่พายฝ น, รนแรงความอดอยากเกิดขึ้นแล้นแค้นความแรแ้นแค้นทั้งหลายรเรียกว่าขโมยขจรก็เยอะประชากรก็มีความทุกข์เวลาใช้ยิ่งเป็นทุกข์หนัก ม, มีพระไทยหดหูเอ๊เราก็ทำแล้วทำไมถึงเกิดอาเพศเมื่อไหร่ฝนจะตกคืนแรงอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนต้องล้มตายเป็นใบลุไม้รุ่นแน่เลยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรครับพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่เทวาลัยทำพิธีบวงสวงอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็เหมือนกับมีเรียกว่าถ้าเราเรียกภาษาพูดเราเรียกพุทธิปัญญานะคะแต่ว่าทางฮินดูเทพนะเทพส่งเสียงมาว่าถ้าพระองค์ ได้ถ้าหากว่ามีมหาบุรุษประกอบด้วยลักษณะ32ประการมาสังเวยนะคะความเดือดร้อนก็จะหมดสิ้นไปพระราชาชักประแสงดาบออกจากฝากทันทีขอถวายชีวิตเป็นเครื่องสังเวยต่อพระแม่เจ้าทันทีพอจดล ง, ะะลงพระสะลงพสอปั๊บนี่นะคะ ท, ที่ลำคอะคะที่ลคอเทวดานะเทวรูปก็ให้หยุดนะคะแล้วก็ประทานอวยพรให้ เมฆเนี่ยก็มืดลอยเกลื่นท้องฟ้าเสียงฟ้าคำลามกึกก้องกับแม่น้าฝนตกทุกแห่งเลยนะคะชาวประชาก็มีความสุขตรงนี้เป็นปริศนาธรรมค่ะคุณชยุติคือพระราชาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้มหาชนเป็นสุขจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นสุขแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้ผมฟังครับคือมีจิตใจที่ให้ถึงขนาดชีวิตเนี่ย นะคะคือมีสัจจะบารมีมีความแน่วแน่มีความเสียสละประโยชน์และสุขของปวงประชาต้องใช้คํานี้นะคะ ค, คือทําทุกอย่างได้ความเหน็ดเหนื่อยด้วยความคือเรียกว่าทุกอย่างไม่ได้นึกถึงพระองค์เองเลยใช่ครับผมฟังถึงตรงนี้เนี่ยประชาชนปวงชนชาวไทยทั้งหลายก็คงจะอดที่จะปรับปลื้มปิติไม่ได้นะครับเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันนี้รรพระองค์ท่านได้เสียสละเป็นอย่างยิ่งแล้วได้ ประกอบพระราชกรณียกิจดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่<ะ>เริ่มทรงครองราชท้าวอาจรย์ ค, ครับดังนั้นเมื่อสาวทัาจันทร์ของเราอังคารก็จะเข้าโลฮินีจะพายแรงน้ำท่วมนี่แหละเราผ่านได้ผมว่าประเทศไทยเราไม่เป็นไรแล้วก็ไม่แรงจริงๆนะคะฝนก็ลงมาค ะ, ะคะพอจะแรงจะแรงจ ะ, งจะหมดฝนก็ลงมาทุกครั้งอย่างไรก็ตามนะตุกตาปุตระลิกาแก้วก็กล่าวสรรเสริญพระราชาวิกรมาธย์ครับท้าบูชาทรงหยุดนิ่งฟังทัานก็ก้าว ขึ้นเหยียบศิรษะตกะตาตัวที่26โดยไม่ลังเลเลยนี่ก็เป็นคงเป็นกรรษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเหมือนกัน